ดเวเมพิกเวท ม, มาวิชาภาคีตากัตะมีดเวสะมมโทจะวิปัสนาจะสะมมาโทพิกเวพาวิโตจิตตังพาวิยติจิตตังพาวิตังโยราโคโสภียะติวิปัสนาพิกเวพาวิตาปัญญาพาวิยติปัญญาพาวิตา ย า, าวิชาสาภิยะติติสมถรเมื่ออบรมแล้วจิตจะเจริญจิตเมื่อเจริญแล้วจะละรากาได้วิปัสสนาเมื่ออบรมแล้วปัญญาจะเจริญปัญญาเมื่อเจริญแล้วจะละอวิชาได้ยินนี้ต้อนรับ สู่สถานีวิทยุกรใจเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรัญทุกวันข้าพ ร, ระชาพระมหาไพบุญอภิปุโ น, โนจะมาพบกับท่านทั้งหลายในทุกวันนั้นเป็นช่วงนาธรรมเข้าสุนิชัยโดยการทำด้วยการปฏิบัติรบมาฝึกทำสมาธิวิปัสสนากันสัก ประมาณไม่เกินหนึ่งชั่วโมงทั้งหมดฟังปัญหาที่เรามักจะเจอกันก็คือว่าจิตเนี่ยมันจะฟุ้งซ่านไปบ้างคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่กงวลทำสมาธินี่วันนี้เขคิดอะไรไม่ออกตันไปหมดนี่คือลักษณะที่เราจะฝึกกันในวันนี้ทั้งหมดฟังการเจริญสมาธิกับวิปัสสนาต้องเคียงคู่กันไปเรามาเริ่มกันเลย ด้วยกันตั้งสติเอาไว้ในที่นี้รองฝึกไว้อยู่ก็ลงหายใจก็แล้วกันเอ้าดูลมหายใจทำที่ไหนก็ได้นะบางคนยังไม่ตื่นอยู่ในท่านอนนอนทำก็ได้แต่นอนทำแล้วมันจะขี้เกียจก็นั่งเอานั่งแล้วมันจะอาจจะง่วงก็เดินเอาเดินเอายืนเอาบางคนวิ่งออกกำลังกายอยู่ก็ทำได้อยู่ในรถ อยู่ที่บ้านไปกรีดยางเดินทางไปออฟฟิศหรือกําลังแก้ปลว่าหนั่งชิวๆเย็นๆลมหายใจเน่ยมันมีมาละ่ะเราตั้งสติไว้ที่กระลมทาให้เป็นธรรมชาติตะบูฟังไม่ตรงมั้งครับให้ลมสั้นลมยาวทําให้เป็นธรรมดาไม่ตรงมั้งครับให้มันเร็วหรือชา้าทำให้ยังเป็น ปกติไม่ต้องบังคับให้มันทีหรือว่ามันหางถ้ายังเป็นปกติธรรมชาติธรรมดาร่างกายของเรานั้นเขาปรับไว้เป็นธรรมชาติของเขาอยู่แล้วถ้าจงังหวะไหนต้องการอากาศมากเพราะร่างกายมันมีการเผาผลาญสูงเดี๋ยวมันก็หายใจเร็วหายใจที่เป็นธรรมดากับมันจงังหวะไหนมันไม่ได้ต้องการลมมากอยู่เฉยเฉยชิวชวเย็นเย็น หรือมันก็หายใจยาวๆหายใจห่างๆเราไม่ต้องไปบังคับหลงเราถ้าบังคับแล้วบางทีมันจะปวดหัวหรือไม่ต้องไปบังคับความคิดด้วยว่าต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ความคิดบางทีมันมีมามันเป็นอ น, นัตาตามีเงื่อนไขปัจจัยของมันแต่ลรคนเนี่ยมีพื้นฐานครอบครัวมีพื้นฐานด้านอาชีพการงาน มีพื้นฐานประสบการณ์อะไรต่างๆไม่เหมือนกันความคิดความอ่านบางทีก็น้อยบ้างมากบ้างอันนี้ธรรมดาเป็นปกติของเขาแต่ชีโก เ, เราไม่เพลินตามความคิดนั้นไปหมายก็มาแล้แต่ไม่เพลินตามไปเราจะเป็งไงที่ว่าไม่เพลินการไม่เพลินก็คือการตั้งสติไงตั้งไว้อยู่กับลมเลิ่อนคับสตินี่มันตรงข้ามกัน ถ้าอไรเพลินบางคนเพลินไปกับลมหายใจก็ได้นะเพลินไปกับปัจจุบันนะไม่ดีนะหรือเพลินไปกับเรื่องในอดีตอดีตก็คือความคิดในปัจจุบันเรื่องที่ผ่านมาแล้วนั่นแหละมันก็ปัจจุบันน่นแหละหรืออนาคตคุณก็เพลินไปในความคิดเรื่องที่มันยังไม่หมายถึงแต่ขณะคิดก็คิดอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละอย่าไปคิดว่าอดีตอนาคตมันมีจริงไม่ใช่มันปัจจุบันเนี่แหละ มีเหตุเงื่อนไขอะไรมาไม่ก็มาแต่เราไม่เพลินไปไม่เปลินนีไ่ไงจริงนะตั้งสติไว้อยู่ที่ไหนลมหายใจลมมันเข้ามันออกเนี่ยมันสั้นบันญาวหรือมันอยู่ตรงไหนกันแน่เอาตรงทางเข้าตรงทางเข้าออของลมหายใจนั่นคือบริเวณโลงจมูกตั้งจิตของเราไว้ที่นี่ให้ประกอบจิตไว้ด้วยกับเมตตา ขอเมตตาก่อนเลยวันนี้ทําไมอ่ะเพราะว่าเวลาเราตั้งจิตไว้กับเมตตาแล้วจะทำให้เข้าสมาธิได้ง่ายเราดึงคุณธรรมเมตตานี่มาตั้งไว้ก่อนพอตั้งสติไว้อยู่กับลมแล้วให้ตั้งจิตเอาไว้อันเป็นไปด้วยกับเมตตามันไม่มีเวรไม่มีพยาบาทเป็นจิตกว้างขวางประกอบด้วยคุณนันใหญ่หลวง ยังไม่มีประมาณให้แผ่เมตตานี้ไปยังสัพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในทิศเบื้องหน้าทิศเบื้องขวาเบื้องหลังเบื้องซ้ายเบื้องบนและเบื้องล่างทั่วทุกทางเสมอหน้ากันตลอดโลกทั้งปวงที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้า สัตว์มีเท้ามากหรือสัตว์ไม่มีเท้าจะเป็นสัตว์ที่เห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือไม่เห็นมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามให้ได้รับกระแสแห่งความรักความเมตตานี้ไปเรีเหมือนคนเป่าสังที่มีกำลังแงแรงสามารถเป่าสังให้ได้ยินโดยทางสีทิศไม่ยากชันใด เราตั้งจิตอาไว้มันเป็นไปด้วยกับเมตตาแปรไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายเช่นนั้นเหมือนกันก็ให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขจงมีความกเกษมจงมีความเจริญเมื่อเรากำหนดจิตเจริญเมตตาเบี่ยงสรรพสัตว์ทั้งหลายกรับมาโฟกัส ตั้งจดจอดูไว้อยูกับลงหมหายใจทำไมเป็นธรรมชาติตุ้มฟังลงมไม่ใช่มันเข้ามันออกเป็นธาตุลมเป็นหนึ่งในกายของเรากายคนเรานี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ําธาตุไฟแล้วก็ธาตุลมส่วนไหนเป็นของแข็งกระดูกบ้างหนังบ้างเนื้อบ้างพวกนี้ น, นี้หรือว่าเป็นส่วนของดินส่วนไหนที่เป็นของเหลวเอ่อป่าเปียกชุ่มไหลไปได้น้ำเลือดน้ำเหลืองพวกนี้นี่คือน้ำประกอบกันแล้วมันก็ต้องมีความร้อนขึ้นส่วนไหนของร่างกายที่มันมีอุณหภูมิมีความร้อนนึ่งก็เป็นธาตุไฟมันมีการเผาปลานาา้มีการสันดาปด้วยออกซิเจน ออกซิเจนเป็นอากาศก็เป็นธาตุลมมีดินน้ำไฟลมอยู่ในร่างกายของเราลมหายใจนั้นเป็นส่วนที่เป็นลมออกไปแล้วออกมาเป็นธรรมดาตั้งจิตของเราให้เกิดเป็นสมาธิโฟกัสระลึกรู้ไว้อยู่กับลมหายใจสิ่งต่างๆผ่านมาผ่านไปอันนี้เป็นธรรมดาหูเราเปิดอยู่เราก็ได้ยินเสียง ตาถ้าไม่ได้หลับตาก็เห็นภาพต่างๆนั่นนี่ความคิดของเราก็เหมือนกันในช่องทางใจมันมีธมารมวิตกวิจารณ์สัญญาสังขารผ่านมาแน่นอนไม่ต้องไปบังคับความคิดไม่ต้องไปบังคับลมต้องให้เหมือนกันลมก็ต้องไป บ, บังคับความคิดก็ต้องไม่บังคับสังเกตดูเฉยๆ ความที่เรามาระลึกถึงรวมหายใจได้ความระลึกได้นั้นคือสติสติมันก็อาศัยเหตุเกิดนั่นแหละเรามฟังเหตุที่เราใส่ความเพียรลงไปมีสัมมาทิฏฐิหดือบาดดูรู้ว่าไหนเป็นมิจฉาสติไหนเป็นสัมมาสติความรู้นั้นคือสัมมาทิฏฐิรู้ ด, ด, ดูแลทําความเพียรสิ สติเป็นอนัตตาไหมเป็นอยู่ขันห้าเป็นอนัตตาไหมก็เป็นเหมือนกันนั่นแหละแต่กิจที่ควรทำมันต่างกันอย่าไปสับสนบางคนจะคิดว่าสัญญาก็เหมือนกับสติคือมันไม่เหมือนกันมันคนละหน้าที่เออมันเกิดมันก็เกิดมันดับมันก็ดับเหมือนกันยุ่แต่มันคนละอย่างจะให้สติเกิดเราก็ ไม่ต้องอะไรเดี๋มันก็เกิดเองคุณบังคับไม่ได้คุณละเรื่องแล้วสตินี้ต้องเจริญเจริญเนี่ยหมายความว่ามันไม่มีก็ต้องทําให้มันมีหรือถ้าคุณต้องการมีด้วยความอยากคุณพลาดทันทีเหมือนกันสุดตรงข้างหนึ่งคิดว่อาออยู่ด้วยมันก็ เ, เกิดเองอีก ข, ข้างหนึ่งว่าโอ้มันต้องได้ต้องได้อันนี้สุดตรงสองข้างแต่ทางสายกลางหนึ่งบ้างคือการทําความเพียร สร้างเหตุเงื่อนไขปัจจัยที่ใชใ่สติเกิดสัญญาเนี่ยมันเป็นความทุกข์เหมือนกุญย่างกันกับสติมันจะเกิดมันก็เกิดความคิดเนี่ยบางทีเดี๋ยวมันจะดับมันก็ดับกายเราแขนขาสิ่งของนั่นนี่ก็เป็นลักษณะของขันห้า 5, ที่ไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นการยึดถือได้นั้นนะ่ะสติญญเราก็ไปยึดถือได้สัญญาเราก็ยึดถือได้ แต่ความยึดถือมันไม่ดีไงเพราะความยึดถือที่มันเป็นอกุศกลธรรมเกิดขึ้นในสิ่งใด ส, สิ่งหนึ่งที่เป็นอ น, นัตตามีปัญหาทันทีแต่ในที่นี้สติที่ก็เป็นอ น, นัตตานั่นแหละแต่เราให้ทำความเปลียนให้มันมากโดยการที่จะสร้างให้เกิดสติไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมื่อก็เกิดเมันก็เกิดเดีย๋ยวไปคิดอย่างนั้นแต่ต้องทาความเพียนให้มันตั้งอยู่ใได้ ในที่นี้เราฝึกเราทำโดยการใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือเพื่อเรีนอาณาบาลนสติขณะนี้ล่ะพอเราสังเกตดูลมหายใจของเราแล้วเห็นกายใช่ไหมเรานมคือกายเวลาเราดูสังเกตลมหายใจของเราแล้วสังเกตตรงจุดสัมผัสที่เรารับรู้ถึงลมได้นในโพรงจมูก มันจะค่อยๆเบาๆนิดเดียวสัมผัสตรงนี้ก็คือเวทนาเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นเพราะมีภัสษะจิตของเราที่มารวมลงรวมลงสังเกตจดจ่อไว้นี่นี่คือจิตเห็นจิตในจิตด้วยพิจารณาดูเพราะว่าถ้าเราทำสมาธอย่างเดียวเมื่อที่มันจะซึมมันจะ เป็นทันมันจะแบบเฉยๆนะหนึ่งก็เขาเรียกว่าเป็นสับของความขี้เกียจเป็นใบเพื่อความเกียดคร้นเป็นลักษณะของทีนามิทะเป็นหนึ่งในนิวรณ์หเป็นความห่วงซึมเป็นความเหนื่อยหน่ายอันนี้เป็นปัญหาที่เวลาผู้ปฏิบัติตำทั้งหลายก็จะเจอแบบเนี้ยแบบหนึ่งหรืออีกแบบหนึ่งก็จะเป็นลักษณะความฟุง้งซ่าน นั่งสมาธิลงใบเนี่ยพอเริ่มสังเกตโลมไม้ใจแล้วหลับตาปุ๊บเนี่ยโอยไม่รู้ความคิดนึกอะไรต่างมันประดาประดังถาถมขึ้นมาโดยชฉ่างยิ่งคิดเรื่องงานเนี่ยโอย้บางทีเราทําโครงการทําโปรเจกต์นี้อยู่ไอความคิดเรื่องงานมันแทรกเข้ามาอยู่เสมอพอมีความคิดมากเข้ามากเข้าบางจงังหวะบางครั้งมันก็เปลินตามไปใช่ไหม พอเปลื่นตามความคิดนั้นไปสติอ่อนกำลังมันก็กลายเป็นกวาฟุ้งซ่านฟุงฟ้งซ่านบ้างยี่เกียดบ้างนี่เราใช้สองตัวนี้แหละทุกฝั่งเป็นเครื่องมือมิสหมยหนึ่งพระพุทธเจาท่านตรัสบอกเอาไว้ตามประบารีที่ยกมาในตั้งแต่ต้นรายการถึงธรรมะสองอย่างเดเวเมธรรมะ มาสองอย่างที่จะทำวิชาคือความรู้ที่จะกำจัดเจ้าอาวิชชาออกไปได้ให้ปรากฏนั่นคือสมถ ะ, ะและวิปัสสนาสมถ ะ, ะคืออะไรตั้หวังคือการที่ทำจิตให้มีอารมณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวสงบลงนี่คือสมถ ะ, ะสมถ ะ, ะไม่ใช่ไม่มีความคิดนึกอะไรเพราะสมถ ะ, ะที่เป็นอารมณ์สงบ บางทีมันก็คิด เ, เรื่องเดียวเนี่ยแหละแล้วก็สงบได้ก็ ม, มีความคิดเหมือนกันอยู่ชานที่หนึ่งเนี่ยมีวิตกวิจารมีปีตีสุขแล้วก็เป็นอารมณ์ของสมตาได้อยู่บางคนที่สามารถทำงานจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้จ่อไปเลยเนี่ยไม่มีความคิด เ, เรื่องอื่นเลยมีแต่คิด เ, เรื่องนี้เรื่องเดียวนี่ไม่ว่าอาจจะเป็นคนที่ช่างไม้เอา้าคนกรีดยากอะ หรือประชาชนาหรือพนักงานออฟฟิศบางทีก็ได้คุณเวิร์กฟรอมโฮมนั่งทํางานไปอยู่เนี่ยบางทีก็คิดเรื่องเดียวไปได้ได้ทั้งนั้นอันนี้เป็นสมถะที่ไม่ใช่ว่าไม่มีความคิดสมถะชนิดที่ไม่มีความคิดก็มีเหมือนกันก็เป็นสมาธิที่ลึกซึ้งลงไปนั่นคือส่วนที่เป็นสมถะอย่างที่สองคือวิปัสสนา วิปัสสนาเนี่ยคือความที่เราเห็นตามความที่มันเป็นโดยความเป็นความไม่เที่ยงโดยความที่มันเป็นอนัตตาไม่ได้จะเข้าไปพอใจในสิ่งที่น่าพอใจหรือจะไม่ได้มามีอคติไม่พอใจตามสิ่งที่มันน่าเกลียดชังแต่ว่าตามเนื้อผ้าของเขาไม่ใช่ว่าชอบสีชอบเนื้อถ้าเป็นผ้าแปลว่าดูตามจริงๆนั่นเอง สองอย่างนี้ทำฝังสมาธิและวิปัสสนาจะทำให้ความรู้คือบิชาเกิดขึ้นคำถามก็คือว่าสมาธิกับวิปัสสนาเนี่ยมันเป็นเครื่องมือสองส่วนที่จะกำจัดความฟุ้งช่านแล้วก็กำจัดความง่วงซึมที่มันผ่านมาเพราะว่าถ้าจิตของเราเนี่ยทุกังมันไม่มีสมาธิวิปัสสนาสองอย่างทรงออกไปเนี่ย มันไม่สุดตรงข้างหนึ่งก็ข้างนหนึ่งอ่ะอย่งที่ว่าไ้ว่าไม่ฟุง้งซ่านแบบคิดนึกนั่นนี่โน่นเพลินตามไปก็แบบว่างวงขี้เกียจซึมเหงาหงอยมันยังไงเนี่ยสุดตรงสองข้างต้องใช้เครื่องมือสองอย่างงัดจิตของเราออกมาจากขอบทั้งสองสมถะธรรมฝั ง, งถ้าเราอบรมจเจริญในมานี้ จิตของเราเนี่ยจะมีกําลังจะเจริญได้เพราะจิตกเรามีกําลังมีความสามารถไม่ได้เป็นไปตามอํานาจของจิตแต่จิตเป็นตัวของเขาเองเนี่ยจิต ท, ที่เป็นไปตามอํานาจของผัสสะต่างๆนั้นก็เพราะว่าราคามีราคาเกิดขึ้นที่จิตทําให้จิต ท, ที่ไปทําหน้าที่ในการรับรู้มันก็ไปตามตาตา ม, ตา ม, ตามหูจมูกลิ้นกายใจเพื่อที่จะไปหาภาพเสียงกลิ่นรส จิตแบบนี้ก็คือไม่มีกำลังถูกดึงลากไปด้วยอารมณ์ที่น่าพอใจบ้างไม่น่าพอใจบ้างตามแต่ที่จะมากระทบรามช่องางต่างๆเราฝึกสมถะเพื่อให้จิตนั้นมีกำลังเจริญขึ้นพอจิตมีกำลังเจริญขึ้นมันจะละราคาได้พอละราคาโทสะกล็ละได้ด้วยมันก็จะไม่ได้ ไปตามตาหูจ ม, มูกลิ้นกายและใจจิตเ่านี้นะพือี่จะไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโวธทวัตธรรมรมณ์เหล่านั้นเพราะมันมีกำลังแล้วมันไม่ได้ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งอื่นๆต่างๆแต่เป็นตัวของเราเองจิตของเราถัดมาอีกท่ามิปัสสนาที่เป็นเครื่องมือส่วนที่สองอย่างที่สองต้องประกอบป็นเข้าเราเจริญวิปัสสนาให้มาก ปัญญาของเราเนี่ยจะมีความเจริญปัญญาของเราที่มีความเจริญจะเห็นว่าไอ้นี่มไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเรามาทํานะถ้าเราเห็นว่าไอ้นี่ฉันทำนะฉันนี่มันใครอ่ะโอ้โคนพูดกับพระมาหาภัยบุญหรือคนฟังกับตะบฟังต่างๆก็ตัวฉันนี่แตัวเราเนี่ยแหละเราเข้าใจว่าตัวเราทํามันยังมีอวิชชาอยู่เพราะว่าตัวเราของเราเนี่ยมันเป็นความเข้าใจคลายเคลื่อนตามอํานาจของอวิชชาไง เรามีความเข้าใจคล้เคลื่อนตามอำนาจของอวิชชาอาวิชชามันก็ยังยุ่มันยังไม่ไปแต่ถ้าเราเจริญวิปัสสนาเน้นตามเนื้อผ้าว่ามีเหตุเงื่อนไขอย่างนี้ปัญญาเนี่ปัญญาปัญญานี่มันจะเจริญปัญญาที่เห็นโดยความเป็นความไม่เที่ยงของไม่ใช่ตนจะสามารถทำลายอาวิชชาได้ละอวิชชาได้ส อ, อย่างจริงต้องประกอบกันทั้งบวง ปัญหามันก็คือว่าเวลาเรานั่งทําสมาธิไปเนี่ยมันไม่ไปนชนด้านซ้ายก็ฟุ้งซ่านคิดมากนั่นนี่มันก็จะไปนชนด้านขวาง่วงซึมอะไรต่างๆเป็นความขี้เกียจบ้างเบื่อบ้างเกิดเป็นอารมณ์นี้ขึ้นมาชอบหาความสบายชอบหาความแบบตามปากตามท้องตามผัสสะไห น, นสบายไปตามมั น, นั้นด้านขวา เป็นลักษณะของความง่วงซึมดานช้าที่แบบว่าฟูงา้งซ่านกเป็นลักษณะของการที่การทำตนให้ลำบากหรือว่าปรารบความเพียนมากเกินไปสองอย่างนี้ทุงฝั่งเราเอามาเป็นคิวได้คิวหมายถึงอะไรมาจากภาษาอังกฤษคำว่า CUE ไม่ใช่ว่าเข้าคิวต่อแถวอย่างนะั้นนะแต่เป็นตามคิวที่คุณจะต้องรู้งานเถ้เราเปรียบเทียบกับการแสด ง, งิ้น พอจังหวะที่เปิดมานะ่านเอาสมมตินักสแสดงนี่เขาต้องรู้คิวของเขาแล้วว่าอ่ะเงต้องออกมาออกมาคนนี้ร้องเพลงนี้เสร็จปุ๊บพอถึงคานี้ปุ๊บไฟนี่ต้องฉายมาตรงนี้ดนตรีนี้เล่นขึ้นปุ๊บคนนี้ต้องออกมาคนนี้ออกมาเสร็จปุ๊บพูดคานี้ไปถึงจุดนี้ปุ๊บไฟต้องดับตรงนั้นแล้วก็เปิดไฟตรงนี้นี่นี่เป็นลักษณะของคิว มาจากกำว่า CUE เพื่อบ่งบอกถึงการทํางานที่มันต้องเข้าจงบาง ก, กันต้องเป็นไปด้วยกันเพื่ออะไรเราก็จะเป็นงานสแสดงมันก็จะต้องออกมาดีโออลังการวังเวอร์สวยงามน่าดูชมก็ก็ต้องรู้คิวของกันละกันลินจะบอกว่าคิวมันไม่ตรงกันใช่ปะ่ะสับสนคิวเงี้ยไฟตัวนี้ต้องดับแล้วทําไมไฟยังเปิดอยู่ อ้นักแสดงคนนี้ทำไมไม่ออกมาตามคิวของตนม่านเปิดแล้วร้องคำนี้ขึ้นมาร้องมาเสร็จปุ๊บประสานเสียงลงไม่เข้ากันนี่โอ้โชว์นั้นงานนั้นนี่พังเลยไม่ได้เรื่องเพราะฉะนั้นคิวนี่มีความสําคัญมากในการงานต่างๆการแสดงโดยเฉพาะยิ่งออกแต่การแสดงมันเป็นเรื่องของความบันเทิงนะหรือถ้าเอาอย่างอื่นก็ได้ทุงฟังยกตัวอย่างนะ คิวนี่อย่างสัญญาณไฟจราจรนี่เป็นคิวเลยแต่สีแดงนี่เป็นคิวให้ฝั่งนั้นไปสีเขียวเป็นคิวให้ฝั่งนี้ไปถ้าดูคิวกันผิดนี่ชนกันเลยหน้าเลยนะหรือว่าเลนสนนอย่างนี้ก็ได้ทุกฝังมันเป็นคิวเหมือนกันเส้นขาวๆก็ตีไว้เนี่ยคุณก็อยู่เลีงของคุณฉันก็อยู่เรีงของฉัน เคลนข้ามไปฝั่งน uh, so so so so ู้นก็ไม่ได้มันก็เป็นเส้นทึบสองเส้นให้รู้ขิวกันเมื่อทีบางครั้งเขาก็ทําเป็นเหมือนกับตัวสะดุ้งหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่ขอบถนนเพื่อดีจะให้รถยนต์เนี่ยพอมันข้ามมาตรงนี้ปุ๊บมันจะสันสันสันก็รู้ว่าอ๋อเกย์เแล้วเกิดละกลับมากลับมาหรือถ้ามันเคยไปอีกด้านหนึ่งข้ามไปอีกด้านหนึ่งมันก็จะมีตัวสันส เหมือนกับเป็นตัวที่บอกให้เรารู้ว่าเอ้ะ ม, มันเกินไปแล้วนะเป็นคิวของเขาเรื่องหมายเหมือนกันเช่นเดียวกันนะทุ่งฝั่งคนที่จะตามทางสายกลางไปถึงนิพพานได้เนี่ยแน่นอนพระซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยมันมีเครื่องดักอุปสรรคอะไรต่างๆกว้างไ้หมดอนะเราขึ้นเรือขับไปขับไปบางทีเจอหนาบนเจอเกาะกลางเจอคลื่นบ้างอะไรบ้าง ซายสุดบางทีก็ติดฝั่งข้างนี้ขวาสุดบิงทีก็ติดฝั่งข้างโนนเราต้องรู้จักปรับเส้นทางของเราให้มันเหมาะสมไร้ใช่เป็นตัวปรับสมถาวิปัสสนานไงท่านฟังสมถาวิปัสสนาต้องเจริญกระทำให้มากจึงจะไปถึงที่ผ่านได้ปัญหาอุปสรรคที่เราเจอคือ ค, อความฟุง้งซ่านดันด้านหนึ่งดันซ้าย เป็นลักษณะของการที่บราลกความเพียรมากเกินไปจากเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม่รู้มันมาละ่ะความคิดนึกเรื่องนั้นบางทีมันก็มาด้วยพัว ก, กัมาแล้วกลายเป็นความฟุ้งซ่านไปหรืออีกด้านหนึ่งด้านขวามันก็ง่วงซึมขี้เกียจสังกตายเบื่อเซ็งเป็นเหนื่อยเหนื่อยหนายหนายยังไงไม่รู้หนึ่งอีกด้านหนึ่งให้สองอารมณ์นี้ตั้มฟังคือความฟุง้งซ่าน แล้วก็ความงุวมซึมเนี่เป็นคิวเป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงความที่สมถาวิปัสสนามันไม่สมดุลกันแล้วสมถาวิปัสนาต้องเข้ากันต้องเคียงคู่กันไปในลักษณะที่จะกำจัดทำลายอาสวะให้ได้ถึงจะบรรลุได้นะคือไม่ใช่แค่ลำพังเพียงสมถะอย่างเดียวคุณอาจจะเอาสมถะน้าบางทีเอา แล้วเจริญวิปัสนาให้มันเท่ากันแล้วเนี่ยในลักษณะที่จะกําจัดอาสวาได้ภูมิเดินบรรลุเลยเอาสมาธานาหรือบางทีบางคนไม่ได้จะชำนาญเรื่องของสมาธิคุนจะเข้าสมาธิได้เนี่จิตมันต้องมีกําลังมีพลังเอาฉันทําวิปัสนาก็ได้วิปัสนานําก็ได้พิจารณากระอยกรุ่นเข็นไปในกายเสร็จปุ๊บพอ จิตมันเห็นตามความจริงมันจะรวมลงระงับลงในความรวมลงความระงับลงเป็นอารมณ์ันเดียวนั่นก็เป็นสมถะพอดีพอดีกันกับวิปัสสนาในลักษณะที่จะกำจัดอาสวะได้ภูมิคุณคมโลดาเหมือนกันหนึ่งก็วิปัสสนานําหรือบางคนก็ให้มันเคียงคู่กันไปรักษามันไว้ดีคือมันต้องเคียงคู่กันไปนั่นแหละมันต้องรักษาไว้ให้ดีนั่นแหละในจุดที่เหมาะสม พอเพียงกับอาสวะมันจะละได้นั่นะนั่นแหละเราจะบรรลุธามได้ประเด็นประนามันก็คือว่าในจุดที่ถ้ามันมากกว่าอันใดอันหนึ่งสำถรับวิปัสสนานี่นะมันก็จะเกิดเป็นเครื่องหมายว่าอ่ะพุงซาแล้วอันนี้คือความเปลี่ยนมันเกินไปหรืออีกจุดหนึ่งก็โอ้สบาที่มันเกินไปมันก็ง่วงแล้วขี้เกียจแล้ว แสดงว่าสมถาวิปัสนาเนี่ยมันไม่ได้เสมอๆกันมีอันหนึ่งมากกว่าอีกอันหนึ่งถ้าลักษณะของสมถะมากเกินไปเกินกว่าวิปัสนาเกินกว่ากําลังของสติมันก็ง่วงมันก็ซึมมันก็ตึงมันก็คิดเครียดนิดนึงเป็นลักษณะแบบเหนื่อยนายหรือสัญญาณอีกแบบหนึ่งที่จะบอกว่าเออวิปัสนามันมากเกินไปแล้วนะ มันเกินกำลังของสติไม่สมดุล ก, กันกับสมถะแล้วมันก็จะปรากฏออกมาในรูปของความฟุง้งซ่านคิดมากมากเรื่องเป็นไปแบบนั้นสองคิวตรงนี้ตอฟังจึงเป็นคิวที่บอกเราว่าโอ้เราต้องมีการปรับแล้วถ้าฟุงา้งซ่านเราต้องปรับแล้วถ้า ง, ง่วงซึมหุ้นก็ต้องปรับแล้วก็จะมาปรับให้มันกลับมาตามทางเดิมให้ได้ ซ้ายไปเนี่ยคือฟุง้งซ้านขวาไปเนี่ยคือง่วงซึมเป็นคเครื่องหมายบ่ ง, บ อ, งบอกว่าเอ้ยเราต้องมีการปรับแล้วเป็นคิวนะเป็นคิวอย่าไปแบบว่าโอ้ยทำไมฉันฟุ้งซ่านกันแล้วคิดไปมันยิ่งฟุง้งซ่านน่ะมื่ดีคิดถึงพ่อแม่ด้วยซ้ําว่าโอ้เป็นยังงั้นอย่งงี้เมื่อดีคิดถึงเรื่องอดีนาคต น, น, นั่นนี่นนไปเรื่องใหม่เพราะว่าเดินไปมีความไม่พอใจในความฟุง้งซ่านนั้น ไฟแดงมาคุณก็หยุดดีไฟเขียวมาคุณก็ไปก็ธรรมดาอย่าไปกังวลรถตกลงรถติดอะไรมันก็อย่างงี้แหละเข้าใจให้ดีว่าฟุ้งซ่านอย่าไปเครียดง่วงซึมอย่าไปงงแต่ให้ดูข้อเนี้ยว่าเป็นคิวเฉยเป็นเครื่องหมายบ่งบอกว่าอะไรนะสามีกทีหนึง่งบ่งบอกว่าคุณต้องมีการปรับแล้วปรับในส่วนขออะไร สมถาวิปัสสนามันไม่สมดุลกันะฟุ้งซ่านไปแสดงว่าอะไรมันไปนทางซ้ายสุดเกินไปนี่ก็แปลว่าความเพียรมันมากมันมากเกินกำลังของสติส่วนที่เกินมานั้นสมถาคุมไม่อยู่สติระลึกไม่ได้เกินออกไปก็เป็นความฟุ้งซ่านออกมารูปแบบนี้ส่วนั้านขวาคุณขับรถมาชนทางด้านนี้แล้ว มันเกินออกไปส่วนที่เกินออกไปนั้นก็คือสมถะมันเกินสมถะมันเกินกําลังของสติวิปัสสนานมันไม่สมดุลอยู่แล้วส่วนที่เกินไปนั้นมันก็ออกมาในรูปของความงงซึมให้เห็นข้อนี้เป็นคิวเท่านั้นเองอย่าไปกังวลใจกุ่มใจว่าทําไมฉันม่วงอย่าไปเกรยียดอย่าไปกงังวลว่าทําไมฉันฟุง้งซ่านแต่ให้ดูเพียงว่ามันเป็นคเครื่องหมาย มันเป็นนิมิตมันเป็นคิวคิวว่าเราต้องมีการปรับแล้วปรับสมถาววิปัสสนาหรือวิธีการปรับนี้จะเป็นยังไงธรรมะหลวจะบอกไปบอกอไปที่กรุงโกสัมพีที่วัดโคสิตารามบอกไว้ถึงธรรมะสองอย่างนี้แหละสมถะ ก, กับวิปัสสนาว่าบางครั้งบางคราวในปฏิปทาในการทําในการปฏิบัติของเรานี้ สามารถที่จะเจริญวิปัสสนาโดยมีสมถะนําไปได้เป็นเบื้องหน้าได้หรือบางครั้งเราก็เจริญสมถะโดยมีวิปัสสนานําเอาวิปัสสนาไปเป็นเบื้องหน้าได้หรือบางครั้งบางคราวเราก็เจริญสมถะกับวิปัสสนาคู่กันไปเลยตรงนี้แหละจุดนี้แหละท่านผู้ฟังที่เราให้ปรับสมถะวิปัสสนาก็ด้วยสมถะวิปัสสนานั่นแหละยังไง วิธีการทุกฝังถ้าเราปรับเจอความฟุง้งซ่านแล้วเอาความฟุง้งซ่านในหลันั่งก่อนนะคนสมัยนี้เนี่ยบางทีมันฟุง้งซ่านมากคิดนั่นนี่ น, น่นนั่นนี่โ น, น้นเรื่องไม่เป็นเรื่องก็เอามาคิดบางทีสะละกันปรุงแต่งกันปก็ด้เรื่องที่มันไม่เป็นเรื่องนี่แหละเอาฟุง้งซ่านแล้วเป็นไงเนี่ยวิธีแก้ทุกฝังมีอยู่สองวิธีคือป ร, รับสมถรถมิปัสสนานี่แหละพวกคุณจะเอาอะไรนําอะไร คืมันเคียงคู่กันไปมันคือสมดุลแล้วไงมันไม่มีปัญหาสมถะวิปัสนามันต้องเคียงคู่กันไปมันคือสมดุลแล้วอันนี้ดีแล้วแต่ถ้ามันไปชนด้านใดด้านหนึ่งถ้ามาชนความฟุ้งซ่านเป็นคิวเป็นเครื่องหมายอันนั้นคือวิปัสนามากเกินไปใช่ไหมถ้ามาชนตรงนั้นความขี้เกียจเนยนายอันนั้นสมถะมากเกินไปใช่ไหมเรามาดูด้านคิวคือความฟุ้งซ่านนี่ก่อนเราจะปรับยังไง มีอยู่สองวิธี ท, ทำฟังสมมติว่าเราฟุ้งซ่านแล้วมาดาความเข้าใจในอารมณ์ของเจ้าความฟุ้งซ่านก่อนนะแต่ในทางแพทย์ทางหมอเขาก็เรียกว่าต้องมาดูอนาตอมี่ของเจ้าความฟุ้งซ่านนี้ซะก่อนว่าอนาตอมี่ของมันเป็นยังไงรายละเอียดขมันเป็นยังไงมันมีลักษณะมาเป็นยังไงเจ้าความฟุง้งซ่านนี้ท่านบอกว่าความฟุ้งซ่านเนี่ยเพราะความเพียนมันมากเกินไปมันเกินกําลังของสติมันเกินไปได้ไงความเพียน ทำไ ม, มันจะเกินกำลังของสติได้กูอย่างเวลาที่คุณทํางานทํานั่นนี่เนี่ยปรารบความเพียรใช่ไหมแล้เพลินไปในงานนี่คำว่าเพลินเนี่ไม่ใช่ว่าเข้าสมาธิได้นะแต่ว่ามันกังวลบ้างคิดนึกนั่นนี่บ้างต้องทํานั่นทนํานี้ทำโน้นขั้นตอนนั้นนี้โน้นเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเกินไปเพราะว่าความเพียรเกินกําลังของสติไปคือคุณเพลินไปในงานนั่นล้ว เป็นงานที่ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั่นนี่โน้นเนี่ยด้วยสติที่ไม่มีกําลังพอเกินไปความฟุง้งซ่านก็เลยปรากฏออกมาแบบนี้เป็นผลของการที่ปรารบความเพียรเกินกําลังของสติไม่ได้ทําให้เกิดสมาธิความเพียรแล้วมันต้องเกิดสมาธิแต่มันไม่ไปไงมันไม่เกิดไงมันจึงเป็นความฟุง้งซ่านเหลืออยู่เกินส่วนที่เป็นอํานาจของสติขึ้นมา วิธีการแก้ตุกุฟังมีสองวิธีอยู่ที่เอาอะไรนำอะไรด้วยสมถะและวิปัสสนานั่นเอาวิธีการแรกก่อนง่ายๆใช่ปะ่ะเอาแบบตรงๆ ต, ตัวตรงตัวก็คือว่าถ้าวิปัสสนามันมากเกินสมถะใช่ปะ่ะคุณก็เพิ่มสมถะดิก็ฝึกทำจิตให้สงบไปเลยอย่าไปคิดอย่าไปตามพอตั้งสตริรู้ได้ปึงเอาเอา้อนี้ฉันฟุง้งซ่านแล้วนะเนี่ยอ่านั่น กำลังสติคุณกลับมาแล้วพอกำลังสติคุณกลับมาแล้วบูมใช้พลังนั้นใช้สตินั้นนะพลัง น, นีตจะมีหมายถึงสติปะละในการทำสมถะคือความที่จิตเป็นอารมณ์เดียวให้เกิดขึ้นให้ได้ไม่ตามความคิดนั่นไปอย่าตามความคิดนั่นไปตามไปคือให้กำลังมันทันทีแต่ไม่ตามไปสังเกตดูเอาจะมูุ้เราใช้เราหมายใชเอา ก็ใช้ลมหายใจเป็นคเครื่องมือไม่ตามความคิดนั้นเอาลมหายใจก็ได้บางทีอาจจะเอาพุทโธก็ได้อ้าแล้วทําอารมณ์ของจิตให้สงบลงให้ระงับลงไม่ว่าจะด้วยคเครื่องมืออันใดนหนึ่งก็ตามในที่นี้เราใช้ลมหายใจก็ใช้ไปบางคนใช้พุทโธก็ใช้ไปถ้าวิปัสสนามันมากเกินกําลังของสติ ทาให้สมถาวิปัสนาไม่สมดุลกันคุณก็เพิ่มสมถาถะเลยอันนี้คือเอาสมถะนําหมายความว่ า, าทาจิตให้สงบลงให้ดีให้นุ่มด้วยสมาธิสําหรับบางคนนูเฝังเขาก็ฉันฟุ้งซ่านแล้วแหมฉันจะไปทําสมาธิได้ไงคือคุณก็เอาสมถะนําไม่ได้คือไม่ใช่ว่าไม่ได้หรอกเพื่อฝังทุกคนมันทําได้หมดอะแต่ว่าคุณจะมีความเพียรใส่ลงไปไหม ความเพียรใส่ลงไปในลักษณะที่ไม่ให้ฟุ้งซ่านด้วยนะความเพียรใส่ลงไปในลักษณะที่ให้จิตสงบด้วยนะนี่สําหรับบางคนมันก็จะยากแต่ไม่ใช่ว่าไม่ได้คือเอาสมถะนําได้สําหรับบางคนบางคนไม่ได้ทําไงลองเอาวิปัสสนานําดูดีไหมนี่จึงเป็นวิธีที่สองวิธีที่สองถ้าเวลาเราจิตเราฟุ้งซ่านแล้วใช่ปะ่ะคิดนึกนั่นนี่ แต่อย่าเพิ่งสับสนนะว่าความคิดทั้งหมดเลยเป็นความฟุ้งซ่านทั้งหมดไม่ใช่นะเราเอาข้อ น, นี้แหละเป็นหลักตัวฝั ง, งแล้วคุณจะคิดนึกนั่นนี่โน่นนี่งานบ้างอดีตบ้างอน า, าคตบ้างคนนั้นบ้างคนนี้บ้างสถ า, านการณ์ต่างๆกังวลเยอะแยะหลับตาลงนิีวมีแต่คิดแล้วก็คิดเอางี้เอาวิภัสสนานําดูให้มันคิดเลยอย่าไปบังคับให้จิตไม่คิด บอกน้นกนะ่อนหน้าวิธีแรกที่ว่าเอาสมถะนําเนี่ยไม่ใช่ไปบังคับให้จิตไม่คิดแต่พยายามทําความสงบด้วยคเครื่องมือคือไม่ได้ไปใส่ใจความคิดนั้นไงแต่ใช้คเครื่องมือคือลมหายใจบ้างพุโทโธบ้าง ท, ทําจิตให้สงบก็ไม่ได้บังคับความคิดเหมือนกันแต่บังคับความคิดแล้วมันจะปวดหัวได้แต่ให้มีการควบคุมทํำเฉดให้สงบโดยการเอาสมถาถะนำนั่นวิธีแรกบามาวิธีที่สองนี้ให้มันคิดเลยจำบ้ัง ให้มันคิดเลยแต่แทนที่มันจะคิดนึกนั่นนี่โ น, น่นนั้นนี้นอนให้มันคิดมาในเรื่องที่เป็นกายเอาใช้กายดูอ่ะหรือไม่ก็ใช้หมวดธรรมะข้อใดข้อหนึ่งดูอ่ะแทนที่จะคิดเรื่องอื่นเนี่ยก็มาคิดเรื่องธรรมะไงใครควรธรรมะดูไปเลยดูสิปฏิจจสมุปบาทมันยังไงอะไรเกิดอะไรหลังอะไรดับอะไรก่อนพิจารณาดู หรือมัก็พิจนารณาดูมาในกายเนี่ยนะกายเรามีอะไรบ้างเอา้ามองจากภายนอกนี่ก็เห็นหนังนึ่ก่อนละดูหน้าเนี่ยหน้ามันก็หนังหน้าเนี่แหละยิ้มออกมาก็มีฟันปลายมือปลายเท่าก็เป็นเล็บที่โตอยู่บนหนังมันก็เป็นขนก็จะอยู่ศีรษะมันก็เป็นผมก็ก็มีผมขนเล็บฟันหนังเห็นได้จากภายนอกลอกออกแล้ออกหมดดู หลอกหนังออกมาก็เป็นเนื้อมีเนื้อด้วยมีเลือดด้วยมีกระดูกด้วยที่ยิดกระดูกด้วยกันก็กเป็นเส้นเอ็นให้คิดไปเลยทำฟังคิดไปแบบนี้คิดไปในทางที่เป็นธรรมะพิจารณากายก็ได้พิจรารณาหมวดธรรมอะไรก็ได้หรือจะมาคิดเรื่องพระพุทธเจ้าก็ได้โอ้นี่ท่านมีลักษณะมหาบุรุษ3าสองประการ แต่และอย่างเป็นยังไงนะทำมาต่อๆกันดูให้มันดูดีหรือมันดูไม่ดียังไงกันแน่นี่คิดไปเลยคิดไปแบบนี้หมายความว่าคุณเอาวิปัสสนามคือเอาอ ก, การเห็นตามความเป็นจริงในกายบ้างในธรรมะบ้างในพุโตบ้างเนี่ยเอามานํานําเพื่ออะไรเราก็ไม่ฟุ้งซ่านไงคือหมายมันปรากฏแล้ว สีแดงมันขึ้นโล่แล้วว่าฟุงซ่านอยู่นะฟุงซ่านอยู่นะเอาออกงั้นก็ต้องเบรกเบรกกลับมาตรงนี้เทคนิคที่สองนี้คือใช้วิปัสสนานำํำสามอีกครั้งหนึ่งนะท่านฟังทบทวนนะคุณมาติดด้านนี้แล้วอะไฟแดงมันแดงโล่ขึ้นแล้วว่าเป็นฟุงซ่านอันดับแรกอย่าเพิ่งกังวลมีสติปุ๊บเห็นปุ๊บเนี่ยถูกต้องแล้วมีสติเห็นปุ๊บ ดูซิจะใช้วิธีไหนชันมัน2วิธีน่ละล่ะเอาสมถะนำก็ทำจิตให้สงบลงเอาวิปัสสนานำพอพิจารณาคิดไปในกายพอเราพิจนารณาคิดไปในกายแล้วไอ้ความฟุ้งซ่านนั้นมันก็จะแปลเปลี่ยนพลังงานมาเป็นพลังปัญญาพลังปัญญาเราทําไปทําไปเนี่ยเห็นตามความเป็นจริงปุ๊บมันวางมันจะสงบลงสมถะก็จะเกิดขึ้น ให้เกิดเป็นความสมดุลเข้ามาตรงกลางได้ที่สมถะวิปัสสนานั้นมันกู้กันมันเข้ากันได้นี่คือลักษณะที่คุณอาจจะเอาสมถะนำหรือวิปัสสนานำก็ได้ให้สมถะวิปัสสนามันเคียงคู่เท่ากันไปนี่คือจากด้านของความฟุง้งซ่านคิวปรากฏขึ้นแล้วเราปรับจิตใจก็เราแบบนี้นี่คือทางด้านซ้าย เกี่ยวเจ้าความฝูงสารเอาสินี้พอเราทรําจให้สงบแล้วสงบลงสงบลงสงบลงจริงๆเลยเนี่ยบางที่มันเสปงบง่วงไปเ อ, อ้าทำไมไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นได้ทุกฝั่งมันเป็นอีกคิวหนึ่งแล้วไงไมันเป็นอีกเครื่องหมายหนึ่งแล้วแดงโลดแล้วก็เหมือนกันมันชนด้านขวาโน่นแล้วชนว่าเอา้ามันง่วงแล้วสงบง่วงนิ้วบางคนแอนหน้าเอนหลัง โอ้เหมือนกับว่ากําลังจะราละครแต่ว่าเหมือนในหนุ่มมัดเมาเนี่แหละมันง่วงมากถ้างงหน้าแอนหลังเอ็นหน้านี่คือแสดงถึงความที่สมรตามันเกินแล้วเกินกําลังของสติส่วนที่เกินมาก็ปรากฏออกมาเป็นความซึม ง, ง่วงเบื่อเซ็งเหนื่อย น, ายน่ายเหมือนเฉาเฉาอย่างไงนี่แหละอันนี้เป็นเครื่องหมายแล้ว เรามาจนอีกด้านหนึงแล้ววิธีแก่จะเป็นไงก็มีสองวิธีเหมือนเดิมระวงังอยู่ที่ว่าจะเอาอะไรนําอะไรเอาตรงๆ ต, ต, ตัวก่อนวิธีแรกก็คือถ้าสมถะมันมากเกินใช่ไหวิปัสสนามันน้อยคุณก็เพิ่มวิปัสสนาดิคุณก็เพิ่มวิปัสสนาในการที่จะให้สมถะวิปัสสนาเนี่ยมันสมดุลกันเข้ากันเสมอเสมอกันเอาเพิ่มวิปัสสนานี้ทำํำยังไงก็คิดเลย สมมติมันง่วงนี่ก็คิดจึงเป็นหนึ่งในวิธีแก้ง่วงตำบัฝังที่พระบรุตชาวได้เคยตรัสบอกไว้กับท่านพระมหาโมคลานะถ้งง่วงชะมายโมคลานะก็พึงทำในใจพิจารณาถึงหมวดธรรมะทางที่ตนได้เคยได้ยินได้ฝังสดับมาโดยในรายละเอียดคิดถึงหมวดธรรมต่างๆก็แบบวิธีเมสครู์นั่นแหละฝุงซ่านแล้วคุณแทนที่จะ คิดไปเรื่องอื่นก็ให้คิดมาในธรรมะเหมือนกันเราจะพิจารณากายก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระโดกใช่ไหมอ๋อตะกี้พิจารณาธาตุดินเอาขาอนี้มาพิจารณาธาตุน้ำบ้างก็ได้เอ้าน้ำในร่างกายมันมียังไงน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําหนองน้ํามันข้นน้ําปัสสาวะ โอยังมีธาตุน้ำอะไรต่างๆอยู่ในร่างกายอีกมากมายเป็นของโสโครกเป็นของปฏิกูลคิดไปแห้พิจารณาไปเลยเนี่ยด้วยสมรรถนที่เรามีอยู่แล้วมันเกินมากไปเนี่ยความคิดนั้นมันก็จะกลายเป็นการทำวิปัสสนาได้พิจารณาใกล้กรวนทำวิปัสสนาแล้วอันนี้คือคุณเพิ่มกำลังความคิดความง่วงก็จะดับไปไง ท่านจึงบอกไว้กับท่านพระมหาโมคคลานะถึงการให้พิจารณาทำตามที่ตนได้สดับมาหนึ่คือวิธีที่หนึ่งที่ว่าเอาวิปัสสนานำนำนีนหมายถึงให้มันมาก่อนเป็นเบื้องหน้าให้เอาวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าอย่างนี้เราก็จะออกจากห้เจ้าความง่วงซึมได้พอออกจากก็เจ้าความง่วงซึมได้ที่มันก็เป็นสมาธิเท่า น, นั้นเองมันก็มาเข้ากันละสมดุลกันละ จากวิปัสสนาที่มันน้อยเกินไปสมถะที่มันมากเกินไปหรือเราเพิ่มวิปัสสนามันมาเสมอกันมันก็จิตทั่ว เ, เป็นอารมันเดียวไปซึ่งออกไปหรือวิธีที่สองดูฝังถ้าคิวของความง่วงซึมมันปรากฏแล้วเนี่ยให้เราหาเลยหาให้เห็นเลยวิธีที่สองนี่คือเอกสมถะนํานนะไอ้ที่ว่าเราง่วงซึมได้เนี่ยมันเป็นนิวรณ เราเรียกว่าเป็นทีนามิทะคือความง่วงความซึมความหดหู่ความเคลืบเคลื่อนไปไหลไปแล้วบางทีนี้ก็ไม่รู้แล้วว่าเอา้ามันหายไปยไหนเมื่อครึ่งชั่วโมงนี่อุยหลับไปไม่รู้เรื่องเลยเนีย่คือเคลืบเครื่อไปแล้วมันซึมไปแล้ ว, ลวหดหู่ไปแล้วนั่นคือทีนามิทะเราแก้ด้วยการทำสมาธิเพราะว่าสมาธิกับนิวร์เนี่ย มันเข้ากันไม่ได้ต่านฟังถ้ามีอันหนึ่งอยู่แล้วจะมีอีกอันหนึ่งอยู่เนี่ยมันไม่ได้อถ้ามีนิวรณ์แล้วมันจะมีสมาธิเนี่ยมันไม่ใช่ลกแ้่เรามีนิวรณ์คือความง่วงสมาธิมันก็หายไปไงแต่ถ้าเรามีสมาธิจิตสงบเป็นอนรมณมันเดียวความง่วงก็ต้องหายไปประมันเป็นสองอย่างที่นคนละอย่างกันไม่เข้ากันเราจะเาสมาธิมาเพื่อที่จะละนิวรณ์ เราก็ต้องทั้งที่ว่าสมถะมันมากเกินไปใช่ไหมนั่นคือหมายถึงว่าถ้าสมาธิมีกําลังมากเกินไ ป, เ, ปนเรื่องหมายที่ปรากฏขึ้นก็คือความง่วงซึมทีนี้เราจะทําสมาธิเพื่อให้กํำจัดนิวรณ์เนี้ยนี่นคือวิธีที่เอาสมถะนํานนะแล้วมันจะไม่มากเกินไปหรออันนี้มันจะไปปรับกันตรงสติไงท่านฟังเพราะเวลาที่เราง่วงซึมไปแล้วเนี่ย เราคุณตั้งสติเอาไว้นะหาดูซิว่าไอ้ความง่วงเนี่ยมันจะมาเกิดตอนไหนเพ่งจดจ่ออยู่ดูอยู่ซิมาสิมากลักษณะการที่เราเพ่งจดจอดูอยู่เนี่ยเพ่งนี่ไม่ใช่บังคับนะแต่หมายถึงการเอาใจจดใจอจอดูอยู่อะไรอยู่กับเครื่องมือที่เราใช้นั่นแหละคุณใช้อะไรอ่ะถ้าคุณใช้ลมหายใจอาณาปานสติก็อยู่กับลมนั่นแหละ แต่คุณใช้พุทธโธเจริญพุทธานุสติคุณก็อยู่กับพุทธโธนั่นแหละเอาตรงนี้เป็นเครื่องอยู่ดูเอาไว้อยู่ตรงนี้ดูอะไรนะดูความง่วงมันมาตอนไหนมาเลยมาฉันจะดูมันสังเกตดูให้ดีปุ๊บสติเราเนี่ยมีกาลังเพิ่มขึ้นทุกขณะมีกาลังเพิ่มขึ้นทุกขณะทุกขณะเลยสังเกตดูด้วยจิตที่เป็นอารมันเดียวสังเกตดูด้วยสติ พอมีสติแล้วสมาธิมันต้องเพิ่มไงไอ้จุดที่ว่าคุณทําสมาธิเพื่อกําจัดนิวรณ์นี่คือตรงนั้นตรงที่เรามีนิวรณ์นั้นกาจัดละออกแล้วนี่เสมอตามวิปัสนามันจะคู่กันได้เออเป็นประหลาดไม่ตรงฝังมันเป็นอย่างนี้แหละหรือพอสมาธิคุณมากเกินกําลังของสติเกินวิปัสนาไปด้วยแต่พอเราทําสมาธิให้มันมากขึ้นกําจัดนิวรณ์ เออสมาธิมันก็กลับมาได้คือมันเป็นอย่างนี้มันก็มี2วิธีอย่างงี้มันเป็นไปได้ต้องฟังจิตของเรานี่มันก็ประหลาดมือกันนะเวลาใส่อะไรที่มันมากเข้ามากเข้าใส่ไปจนมากปุ๊บเออมันกลับกลายเป็นพอดีขึ้นมาตอนนี้เราทําสมาธิเพื่อกําจัดนิวรนพอกําจัดนิวรนออกไปสมาธิมีกําลังมากขึ้นสมาธิวิปัสสนาก็เข้ากันได้เป็นไปได้ต้องฟัง ในคิวที่2คือความง่วงซึมเนี่ยมันก็มี2วิธีเพืออาวิปัสสนานํามาเป็นเบื้องหน้าหรือไม่ก็เอาสมถะเป็นเบื้องหน้าไปได้ทั้งสองวิธีนี้ทัางฝั่งก็คือวิธีเดียวกันกับเวลาเราเจอความฟุ้งซ่านวิธีเดียวกันกับเวลาเราเจอความง่วงซึมลองมันทั้งสองวิธีเลยทั้งฝั่งถ้ามันหมดอะได้ก็ได้ ไม่ได้ก็ลองฝึกใหม่ทําดูเพราะว่าถ้าเวลาเราฝึกทำเจริญในมากเนี่ยจิตของเราจะเจริญปัญญาของเราจะเจริญบางคนอาจจะคิดว่าเออมันก็เกิดเองฟังฟังไปอ่านหนังสือไปบางทีมันก็เกิดเองเกิดเองก็เพราะว่าคุณทําไงคุณอ่านหนังสือคุณฟังธรรมะนั่นก็เป็นการทําเป็นการปฏิบัติรูปแบบหนึ่งหรือจะอยู่ในรูปแบบอื่นคือเราไม่สํากัดจะต้องว่าเป็นรูปแบบนี้ เท่านั้นรูปแบบอื่นไม่ได้อันนั้นคือใจแคบมองไม่กว้างพอใจแคบมองไม่กว้างปัญญามันมาพุ่งที่เดียวเนี่ยปัญญามันเกินไปพอปัญญาเกินไปแล้วมันก็กลายเป็นการดูถูกดูหมิ่นคนอื่นคิดว่าตัวเองถูกคนอื่นไม่ดีหรือคนอื่นไม่ดีเท่าตัวเองเก่งกว่าเพราะปัญญามันพิ่งลงมาเกินไป เราจึงต้องเข้าใจความกว้างขวางของธรรมะอย่าไปมองว่าความฟุ้งซ่านมันไม่ดีหรือว่าความง่วงซึมมันไม่ดีความไม่ดีของมันมันมีนมอยู่แล้วแหละอคติอคุสุรธรรมเนี่นะแต่เราอย่าตามอคติุศุธรธรมนั้นไปยังไงนะโอ้ก็ถ้าคุณฟุ้งซ่านแล้วคุณก็เครียดต่อไปอีกแลนวนั้ น, น่หลนะคือคุณตามความฟุ้งซ่านไปแล้วหรือพอคุณง่วงซึมโอ้ขี้เกียจไปคุณก็เครียดอีก คิดน้อยเนื้อต่ำใจว่ารทำไมเป็นอย่างงี้อันนั้น น, นะก็คุณตามอกูส่วนลธรรมเหล่านั้นไปแล้วคิดว่าไม่อยากจะได้ไม่อยากจะมีมันแต่กุส่ลธรรมใหม่ด้นเพิ่มขึ้นอีกไม่ใช่แต่ให้เห็นตามความเป็นจริงว่าเานี่ยเป็นเครื่องหมายธรรมดาอกูส่ลธรรมก็เป็นเครื่องหมายกูส่วนลธรรมก็เป็นเครื่องหมายความดีก็เป็นเครื่องหมายความไม่ดีก็เป็นเครื่องหมายเป็นคิวเป็นนิมิต เป็นตัวบ่งบอกคิวของเรามาแล้วคิววันนี้คิวอะไรคิวต้องพิจารณาแล้วคิวนี้ต้องทำาพื่อจะให้สงบระงับลงแล้วหรือถ้าเจอคิวความง่วงก็คิวนี้เหมือนกันได้ทั้งสองวิธีในทั้งสองฝั่งทำให้มันเข้ากันระหว่างจอเอาอะไรเป็นเบื้องหน้าได้ทังนั้นเพระาะว่าถ้า เราเอาสมถะหรือวิปัสนาเป็นเบื้องหน้ามักย่อมเกิดมักเนี่คือทางนะทางจะปรากฏทางอะไรทางที่ไปสู่นิพพานงเป็นทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างฟูงซาเนี่ยมันเข้ามาในทางไม่ได้เหมือนจงต้องไปอยู่มุมมุมขอบขอบนู่นความง่วงความซึมอกุศลธรรมอื่นๆแบบนานาชนิด ก็เข้ามาในทางนี้ไม่ได้มันก็ต้องไปอยู่อีกขอบหนึ่งเวลามันดันมาเนี่ยเราอยู่ตรงกลางไงเราไปตามช่องตามร่องตามทางนี้ถ้ามันเกิดชนไปด้านนูน้นอ้าวอ้าวอนี่คือคือเกินไปแล้วก็เป็นคิวเป็นตัวบ่งบอกคุณต้องปรับมาเข้าทางนะหรือถ้าคุณไปชนอีกด้านหนึ่งด้านขวาชนด้านซ้ายเมื่อกี้เป็นความฟุ้งซ่านชนด้านขวาตอนนี้เป็นความง่วงซึม อันนี้คุณเกินไปแล้วก็ปรับปรับมาในคาบ ห, หนึ่งเนี่ยนั่งสมาธินี่คุณดีปรับไปปรับมาปรับมาปรับไปเนี่เจอเันหมดทุกอย่างมอาปนั่งลงตอนแรกฟูซ่านโอ้ฟูซ่านฟูซ่านทำไงนั่งไปนั่งไปอดทนไปต่อไปง่วงจนนั่งไปครึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเหลือนี่สับระงกตลอดโอ้โนี่คือเจอทั้งสองฝั่งเลยเอาแก้เอา บางที่สบงบแล้วรู้สึกตัวอนั่งต่ อ, น, ตอนั่งต่อแล้วสงบลงไปอีกสลับไปสลับมาเนี่ยชั่วโมงหนึงนทีสองสามรบอบเราคุณจะด้านความฟุ้งซ่านคุณก็ฟุ้งไปตามความฟุ้งซ่านนั่นเลยคิดไปตามอะไรคิดไปตามอะไรคิดไปตามกายางไงอันนี้คือใช้วิปัสสนานําคือเป็นเบื้องหน้าในการที่จะกําจัดความฟุ้งซ่านนั้นหรือพอเรามีความฟุ้งซ่านปุ๊บมันพยายามทำจิตให้สงบดูโล่ใจเพ่งมันมากขึ้น วิธีนี้ก็ได้ออกมาจากขอบด้านนุษต์เราออกมาได้จิตมันจะนิ่งมันจะเป็นโรมณ์เดียวไอ้ความที่จิตนิ่งๆิ่เนี่ยนะท่านฟังคือสมถมะวิปัสสนามันเข้ากันแล้วนะแล้ให้เราเห็นผัสสาเห็นตัวตนเห็นจิตโดยความเป็นของไม่เที่ยมไม่ใช่ตนเป็นของไม่มีแก่นสารในีคุณวางได้เลยนะทีนี้ถ้ามันยังสังเกตเห็นดูไม่ได้ไม่ชัดเจนในลักษณะที่อาส ว, วะมันยังจะสิ้นไปไม่ได้บางทีไอ้จิตที่มันสงบนิ่งนิ่งอยู่เนี่ย มันกลายเป็นเฉื่อยชาไปกลายเป็นแบบแค่แกรงแกร่งแข็งแล้วก็แบบดันด้านนะนัน่นคือความขี้เกียจขี้คร้านเหมือนเขากราบงาแล้วสมรรถมากเกินไปแล้วเาราทํายังไงเขาวิปัสสนาเป็นเบื้องหน้าก็ได้ก็พิจรารณาไปเลยในกายมีอะไรบ้างผมขนเล็บฟันหนงังธาตุดินธาตุน้าํนาพิจรนารณาไปเสร็จความเพียรมันก็เพิ่มขึ้นมาให้สมดุลกันหรือเราจะใช้วิธี เรินสมาธิเฉพาะจุดที่มีนิวรณ น, นั้นกำจัดนิวรนออกไปโดยการเพ่งจิตจดจ่อไว้ทำสมถะและสมาธิก็เกิดสมาธิเกิดมันก็เข้ากันได้เข้ากันได้กักกบสมาธิและวิปัสสนที่เหลือที่เราก็หลุดออกมาจากทางด้านขวานั้นหลุดออกมาจากเจ้าทีนามิธามันเข้ามาไม่ได้ละมาตามทางนี่นแหละมรรคย่อมเกิดตมวังจนประนบนว่าไว แล้วถ้าเราทำอย่างนี้บ่อยๆนะเอาไปเจอคิวฟุ้งซ่านคุณก็ปรับกลับมาไปเจอคิวความง่วงคุณก็ปรับกลับมามีคิวของเราอยู่แล้วไม่ไปตามความฟุ้งซ่านหรือไม่ไปตามความง่วงนั้นไม่ไปตามนั้นก็หมายความว่ากุศลธรรมที่ต่อเนื่องจากฟุ้งซ่านหรือง่วงซึมมันไม่เกิดต่อไปเพราะมันไม่เกิดต่อไปเราใช้สมถะหรือวิปัสสนา อันใดหนึ่งเปนเบื้องหน้าจะเดินให้มากแต่ไม่มากจะสามารถละเรื่องรายรัฐคือสั่งย่์ทั้งหลายได้อนุสัยตรงฝังคืออาสวะเนี่ยมันจะหลุดมันจะสิ้นสุดมันจะจบกันได้เพราะโอกาสน้อมากขึ้นไงบรรพชนด้านนู้นปุ๊บคุณตกกลับมาโดยสมถาวิปัสนาคุณมาบรรพชนด้านนี่ปุ๊บคุณตบกลับไปด้วย สมถาวิปัสนาโอกาสที่เราจะอยู่ตรงกลางให้มีสมถาวิปัสนาพอเสมอๆกันในลักษณะที่จะกําจัดอสวาได้มันจะเกิดขึ้นอยู่แลเกิดขึ้นตรงไหนสมถาวิปัสนาในฝังเป็นทูดนำข่าวสารนำผ่านมาทางประตูจากนอกเมืองนู่นผ่านประตูมา ถามนายประตูว่าเจ้าเมืองอยู่ไหนนหนประตูตรวจบัตรตรวจข้อความดูแล้วอันนี้แหลงมาถูกต้องบอกว่าเจ้าเมืองนั่งอยู่หน้าทางสีพแพร่งกลางเมืองราชทูตสองคนนี้ก็นำข่าวสารมาให้ฉัเปรียบเทียบว่าราชทูตนั้นเหมือนกับสมถาวิปัสนาโมฟังอยู่ตรงกลางใช่ไหมเป็นทําที่มีส่วนในวิชา ผานเข้ามาทางต า, งางหูจมูกลิ้นกายและใจตามภาษามาเนี่ยแหละมาตามทางเนี่ยทางคือมักแปเอาจดหมายเอาข้อความให้เจ้าเมืองเจ้าเมืองนั้นคือวิญญาณคือตัวของเราที่เราไปรู้สึกรับรู้เนี่ยแหละที่เรามักจะเรียกว่าจิตจิตเนี่ยแต่จิตกับวิญญาณเปนคนละอย่างเรารู้สึกว่าเราเป็นจิตเพราะนั่นเป็นตัวตนแต่จริงมันคือวิญญาณการรับรู้เฉยเอาข้อมูลอะไรให้ สมถาวิปัสนาเนี่ยเอาข้อมูลอะไรให้วิญญาณเอาข้อความตามเป็นจริงนั่นคือนิพพานทางปณิพาน์ทางนี้ท่านเพราะเรามีสมถาวิปัสนาเข้ากันคู่กันมาตามภาษาอันใดหนึ่งที่มันปรากฏอาจจะเป็นเสียงเป็นภาพเป็นความคิดนึกปุ๊บสมถาวิปัสนาเข้ากันใช่ไหมเราเห็นตามความเป็นจริงด้วยจิตที่เป็นสมาธิเป็นนโรมันเดลนั่นคือสมธา เห็นตามความเป็นจริงโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตานี่ยคือวิปัสนาในอริยสัจ ส, สีจากปัสสาะที่มากระทบวางได้เลยอะไรมันจะเหลือมันจะไม่เหลืออะไรวางมัดหมดจบทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสมถาววิปัสนาสามารถที่จะกําจัดอนุสัยและอาสวะ ที่เป็นรากเหง้าของเจ้าอาวิชชาให้มันออกไปได้เห็นตามความเป็นจริงในภาษาที่มันกระทบนั้นว่าเหตุเกิดก็มันเป็นอย่างนี้ก็สายธหานั่นแหละเกิดจึงเข้าไปแก่ไปเจ็บไปตายไปเห็นจริงนั้นสิ่งนี้เหตุเกิดมันเป็นอย่างนี้ความดับของมันก็ต้องดับที่อวิชชาตันหาอาวะตะดับเหล่านี้ได้ความทุกข์มันก็หมดไปเป็นนิโรธไป เราจะดับได้ด้วยก็ต้องทำตามมรรคแปดนั่นเองให้เข้าถึงให้ดูให้ดีคหวั ง, งสมถา ว, วิปัสสนาที่เราเจริญทำให้มากจะรักเครื่องร้ายรัดสังโยชน์ทำอนุสัยวิชาอาสวะให้กำจัดออกไปได้ปราบธรรมซ้ายขวาซ้ายขวาเนี่แหละเหมือนเล่นเกมกดเขาเรียกว่าเล่นกีฬาในฌาน เล่นกีฬาในสมาธิเราเล่นฌานเล่นสมาธิแบบนี้อยู่โอกาสเอาเพิ่มเลยมีนิพพานเป็นที่สุดจบตายในทุกบันอังคารตั้งแต่เวลาตีห้ถึงหกโมงเช้าโดยมีคําพเจ้าพระมหาไยบูลอาพิปุนโ่เป็นผู้ดำเนินารายการตั้งวางควาสามารถที่จะรับฟังได้ในระบบพอดแคส หรือว่าติดตามได้ที่เว็บไซต์ก็ได้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เชิญพ